อโตสมมาสมบุติทัสสะนโมทัสสะวโตอะระหะโตสมมาสม a ุติัสสะนโมทัสสะวโตอะระหะโตสมมาสมบุตัสสะสุดสูสรงรัตเปัญญติจิมัสหามะริย นัโตซาตายสมันบีสัปจังธัมโมโซโรในโอกาสตรันี้ปรานทา้งหรารจะได้ทำการประพฤติปฏิบัติอบรมต้องให้เป็นการระดบสตร ควรตันงนำมาตรวจของหลัเครื่องฝุกตนภายนอกกล่าวคือข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลทั้งในส่วนที่เป็นไปในทางที่ ูที่ชอบให้เกิดเป็นคุณความดีก็ดีเป็นเหตุที่จะกําจัดสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องซึ่งเป็นความชั่วให้หมดไปจาก กายและจิตของเราก็ดีอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติและก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจำต้องศึกษาทำความรู้ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งโดยถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเราผู้รู้นั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับความสะดวกได้รับความสบายในขั้นตอนอันหนึ่งในเมื่อเราได้น้อมมาหรือลงมือปฏิบัติ ให้เกิดมีขึ้นในตัวตนของเราเราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมประชุมกันอยู่ณสถานที่นี้ต่างก็ได้มีเจตนาคือความตั้งใจในอันที่จะละความชั่ว <c oughs> ได้แก่ความไม่ถูกต้อง และบำเพ็ญความดีงามซึ่งเป็นความถูกต้องอันแสดงไว้ให้เป็นหลักของการปฏิบัติเรียกว่าพระพุทธศาสนานี้กล่าวกันอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นการศึกษาเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ จึงเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายและก็เป็นความสำคัญทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและสีดสุดตราบใดเรายังมีเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดความผิดพลาดเคลื่อนคลาดไปจากความเป็นจริง ทั้งในส่วนความประพฤติในทางกายวาจา <c oughs> และในทางจิตใจของเราภาราหน้าที่ที่เราจะต้องค้นคว้าสแสวงหาถ้อยเกิดความรู้ความเข้าใจทั้งส่วนภายนอกภายในก็ยังเป็นภาระหน้าที่หรือเป็นภารกิจของพวกเราอยู่ตาบนั้น ถ้าเมื่อเราพ้นจากเขตและปัจจัยที่จะก่อให้เกิด <c oughs> ความถูกผิดชั่วดีดังกล่าวโดยย่อแล้วนั้นเมื่อใดเราก็จะเบาบางจากภารกิจคือว่าหน้าที่นั้นลงไปอย่างพระเรีเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลายที่ั่นได้จบกิจพรหมจรรย์คือเรียกว่าท่านอยู่จบพรหมจรรย์แล้วนั่นหมายถึงว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วการประกอบกิจเพื่อยังกิเลสน้อยใหญ่ ให้หมดไปสิ้นไปเป็นอันว่าไม่มีอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเรานั้นยังมีกิเลสยังหนานแน่นอยู่ด้กกิเลสเพราะฉะนั้น <c oughs> ความรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดพร้อมกับการกระทําเพื่อฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นไปทั้งสองทางทางหนึ่งนั่นปรหาะประธ า, านหมายถึงความภาพเพลี่ยนพยายามในการละการงดเว้นเสียจากความชั่ว ซึ่งแม้แต่จะเป็นการกระทําด้วยอำนาจของกิเลสอย่างหยาบ ก, ก็ดีอย่างกลางก็ดีอย่างละเอียดก็ดีซึ่งจะทําให้เราประกอบกรรมขึ้นมาในส่วนต่างๆของร่างกายและชีวิตจิตใจของเราเมื่อกล่าวลงไปสั้นๆ ก็คือทางกายบ้างทําความชั่วความผิดให้เกิดขึ้นในทางกายบ้างทางวาจาบ้างถ้าเป็นความชั่วเป็นความผิดอย่างกลางคือละเอียดลงไปละเอียดขึ้นมา นั่นก็แดดความผิดความผิดในทางความรู้สึกนึกคิดเป็นเรื่องของจิตใจเป็นความนึกความคิดซึ่งเป็นไปกับเรื่องของกิเลสซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้รับการชี้แนะบอกกล่าวมาจากอุปราชาอาจารย์ ทุกท่านทุกคนแล้ววันแรกที่เราเข้ามาอุสมบทเป็นภิกษุสา ม, มนเณรในพระพุทธศาสนากิเลสอย่างกลางก็ได้แก่นิวรธรรมทั้งห้าประการนิวรธรรมห้าประการนั้นได้แก่กรรมวชันทะความพอใจในกาม พยาบาทะความพยายามอาฆาตจองเวรหินนิมิธะความง่วงเหงาเานอนอุทจจัความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดเกิดขึ้นในจิตในใจวิจิติฉาความสงสัยรังเร ในการประพฤติปฏิบัติในการบวชในการกระทำแม้แต่ความดีในทางพระพุทธศาสนาเช่นการให้ทานนั่นเป็นความดีเป็นความงามเป็นความชอบเป็นการถูกต้องจริงหรือไม่ก็ไม่อาจที่จะตัดสินใจลงไปได้ว่าดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิดเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือไม่บุญไม่บาปอย่างนี้เป็นต้นแม้ด้การเข้ามาบวชเป็นภิกษุสา ม, มนเณรเข้ามาจำศีลภาวนาฟังธรรมอยู่ในขณะ น, นี้หรือตลอดเวลามาก็ยังเต็มไปด้วยวิจิจรฉาความสงสัย ว่าการทำความดีต่างๆนอกจากการให้ทานแล้วการรักษากายวาจาสำรวมจิตอบรมจิตด้วยนึกด้วยคิดด้วยปรุงด้วยแต่งอัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งดีและชั่วถูกและผิดบุญและบาปทั้งความ เป็นเรื่องของกิเลสมีความโลภเป็นต้นทั้งเรื่องของความไม่มีกิเลสในแก่พระนิพพานคือความดับสนิทเป็นอารมณ์เรานี่ว่าเป็นเหตุก่อให้เกิดคุณความดีงามจริงหรือไม่จริงก็ไม่อาจที่จะตัดสนินใจลงไปได้นั่นเป็นลักษณะของตัววิจิกิจชา อันนี้แหละท่านเรียกว่ากิเลสอย่างกลางซึ่งเรียกว่านิวรธรรมกิเลสเหล่านี้มักชอบที่จะเกิดขึ้นลบควรจิตของพวกเราอยู่เนืองๆหรือเสมอทำให้เราไม่สามารถที่จะประกอบกิต ละความชั่วบำเพ็ญความดีให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ละครั้งแต่ละข่าวแต่ละการแต่ละเวลาแม้ในที่สุดคือขนาดนี้ที่เราไม่สามารถจะประกอบคุณความดีที่เราจะพึงกระทำบำเพ็ญกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีก็พรากิเลสตัวนี้กิเลสขั้นกลางนี้ถึงเขาจะอยู่ขั้นกลางขั้นกลางของวนทางไม่ได้อยู่เบื้องต้นของทางก็จริงอยู่แต่เมื่อเราเริ่มต้นของการปฏิบัติความดีกิเลสเหล่านี้เขาจะเลื่อน จากฐานที่อยู่ตรงกลางไปสู่เบื้องต้นในขณะที่เราปฏิบัติความดีในขั้นต้นนั้นได้เช่นเดียวกันประเพณนั้นท่านจึงว่า <c oughs> เป็นนิวรธรรมเป็นเครื่องกลางกัน้นคำว่านิวรธรรมนั้นก็แปลว่าเป็นเครื่องกลางกัน้น หรือว่ากีดกันหรือเป็นตัวอุปสรรคนั่นเองโดยที่มีความหมายว่าเราจะทำคุณงามความดีการทำความดีให้แก่ชีวิตจิตใจของเรานั่นมเมื่อจะกล่าวกันสั้นๆ<ม>ก็มีอยู่สองประการประการหนึ่ง ได้แก่การมาปอบความภาคความเพียรความพยายามความมุสาหาวิริยะ <c oughs> ไม่เห็นแก่ความ <c oughs> สุขความสบายเกิดขึ้นจากการนั่งยืนเดิอนนอนตามบัธยศใสหรือตามความชอบใจของตนทนทุก ต่อสู้กับความทุกข์ความปวดความเมื่อยการถูกรบกวนจากเกลือบยุงลิ้นและอื่นๆทนต่อสู้กับเหตุการณ์ภายในจิตของเราได้แก่กิเลสอย่างกลางนั่นเอง จนกว่าจะสิ้นสุดของการเวลาที่เราตั้งใจเข้าไว้คือการเวลาของการอบรมไม่ใช่ว่าเราจะต่อสู้กันเพียงข้างนอกโดยที่เราต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ทั้งสิ้น อดจักสามมือตามปกติที่เราเคยรับทานมาตั้งแต่การไหนๆมาเป็นเวลาชานาน10ปี20ปี30ปีและมาอดเหลือเพียงมือเดียวบ้างสองมือบ้างนี่ก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นการต่อสู้เราอยากคิดเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้ถ้าเราเป็นผู้ไม่มีความต่อสู้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในภาวะคือความเป็นในเรื่องการสแสวงหาปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายคือชีวิตของเรา ให้เป็นไปอยู่ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพียงมือเดียวบ้างสองมือบ้างถ้ายิ่งเราจะมองพิจารณาไปถึงความรู้สึกได้แก่ความเคยชินจนเป็นนิสยัยทั้งในส่วนธาตุขันและจิตใจด้วยแล้วเราก็จะถูกความอยากความหิว เขารบกวนเกิดขึ้นทั้งในส่วนฐานคือร่างกายทั้งในส่วนจิตภายในคือจิตได้แก่ความอยากกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือร่างกายของเราทุกท่านจะมาเคยชินกับการเลี้ยงเขาด้วยมือหนึ่งสองมือนั้น มันก็เร่นเราต้องเดือดร้อนอยู่หลายเพลาคือหลายวันหลายอาทิตย์หรืออาจจะเป็นเดือนก็ได้ว่าธาตุขันของเราจะเคยชินกับการส่องเสพที่ถูกตัดไปแต่นี่ส่วนจิตใจของเรานั้นเป็นของไม่แน่ร่างกายของเราท่านทั้งหลายนั้น ถึงแม้ว่าเขาจะเคยชินมาในการก่อนทุกบทขั้นตอนและทุกกรูปแบบนั่นหมายถึงการชินด้วยการกระทําในสิ่งที่ผิดไม่ต้องไม่ถูกต้องในกฎหมายและศีลธรรมทั้งในการกระทําไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนประกอบกิดใดๆก็ตาม ก็มักจะผิดอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้เขาจะกล่าวประรบถึงเรื่องอันใดก็ตามแม้แต่จะประรบกันถึงเรื่องในธรรมะวินยัยก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความบัดหมางเร้ารานภายในจิตใจของกันและกันบางครั้งบางคราวก็ถึงขั้น ของการทราะเลวิวาทแต่จากความสมคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะเป็นธรรมเป็นวินัยก็ตามอย่างนี้นั่นแสดงถึงว่าความหิวโหวยในจิตในใจของเรานั้นหาได้สงบระงับ จืดจางหมดไปเพราะเปลี่ยนภาวะในความเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกามีศีลเป็นประจำเหมือนกับกายกับวาจาของเราไม่กายวาจาของเรานั้นไม่กี่เทวรา เทราไม่กี่เทราไม่กี่วันกี่คืนเขาก็เกิดความเคยชินแต่ส่วนจิตใจของเรานั้นเขาย่อมไม่เคยชินกับอะไรง่ายๆยกตัวอย่างหรือชี้เราเห็นกันได้อย่างง่ายๆอย่างกายของเราเนี่ ก็มีสินโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งยกหรือชี้เห็นง่ายๆได้แก่สินห้าสัตว์น้อยใหญ่เราก็ไม่ขาดไม่เบียดเบียนให้เขาต้องเป็นทุกข์ทรมานทรกรรมร่างกายของเขา ทรัพย์สินเงินทองเข้าของของใครเราก็ไม่หยิบไม่ช่วยไม่แสดงออกบอกถึงความต้องการในลักษณะของการผิดสินในข้อนี้กามเมสุมิชชาจยา์เราก็ไม่ได้แสดงออกในทางกายให้ปรากฏ ทางวาจาการพูดปดมดเท็จก็ไม่มีในวจีคือปากของเราการพูดคำหยาบความหยาบคายไม่เหมาะสมแก่สมณะสารูปหรือแก่อุบาสกอุบาสิกาก็ยากที่จะเกิดขึ้น วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมเพื่อเป็นบ่อนทำลายแห่งความสามัคคีความพร้อมเพียงพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกแะภายนก็ไม่ให้เกิดขึ้นในวาจาของเราความพูดพร้อย ไรสาระไรประโยชน์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นเราก็พยายามหลีกเลี่ยงส่วนกายวาจาของเรานั้นจำเดิมแต่เราได้น้อมรับเอาตัวบทกฎข้อปฏิบัติจะด้วยเป็น ศีลวินัยหรือธรรมะก็ตาเข้ามาปกป้องคุ่มครองมาเป็นแบบเป็นฟอร์มแล้วก็ไม่สู้จะยากนักไม่ขี่เพลาเวลาลาตีกายวาจาของเราก็จะค่อยเคยชินขึ้นมาในที่สุดก็กลายเป็นนิสัย อย่างนี้เป็นต้นแต่พอมองไปถึงจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นรู้สึกจะไม่พร้อมกับการกระทําดังที่กล่าวมามันขัดกันอยู่ตลอดเวลาโต้แย้งอยู่ตลอดเวลาขัดขวางอยู่ตลอดเวลา ยากที่จะให้ใจพองเรานั้นเกิดเป็นนิสัยมีสินในใจเป็นนิสัยเหมือนกับเป็นนิสัยภายนอกคือกายคือวาจาอย่างกายวาจาของเราเนี่ยเมื่อเข้ามาใหม่ๆเราเคยหักกิ่งไม้เด็ดยอดไม้ใบไม้ตัดไม้ถอนหญ้าขุดดินหรือเคย อยู่บ้านของเราการจะบริโภคอุปโภคน้ำก็ไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะมีชีวิตสัตว์คือลูกน้ำพอมาบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาเมื่อเรามารู้และเข้าใจแล้วมันก็เกิดความซ้ำรวมระวังสังบรเมื่อใหม่ๆ ม, มันก็อาจจะเผลอขาดสติไปบ้าง อยู่ใกล้อยอาต้นไม้ก็อาจจะหักกิ่งไม้หรือดึงยอดหญ้าไปบหรือว่ายุงมันกัดบางทีก็เผลอไผลโดยไม่ตั้งใจเห็นมันเจ็บๆคันๆก็ไม่เรนสติไม่ทันนึกว่ามันจะเป็นยุงกัดก็มุ่งที่จะเกาประกอบกับไอยุงทะเลนะี่มันก็ไม่ตื่นไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆด้วย แต่เรามุ่งจะเกามันก็เลยยุ่งายเลือดสาดไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อปรากฏบ่อยๆเข้าสติของเรามันก็จะดีขึ้นเมื่อความเจ็บความคันเกิดขึ้นมันจะเกา่าหรือมันจะถูจะไถมันก็มีสติรอลึกได้ความคันนี้มันเกิดจากยุ่งกัด แทนที่จะเกาแล้วลูกไปแรงๆมันก็ค่อยลูกมันก็ไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นเรื่องภายนอกมันพอฝึกได้มันพอตกแต่งได้พอดัดได้ไม่สู้จะยากนักมันจะยากจะฝืนกันอยู่ก็ช่วงในระยะแรกๆเมื่อเราบวชมาแล้วเจ็ดวันสิบห้าวัน ความอิดโรยของสังขารร่างกายเพราะมันขาดอาหารไปตั้งสองมือ้อมันก็ค่อยหมดไปหมดไปและกายเป็นความเป็นอยู่โดยสมบูรณ์คือปกติเหมือนกับอาหารสามมือ้อความทุกข์มันก็หมดไปความปริพเน์กังวลเพราะความวิดตกต่างๆนานามันก็หมดไป ทำไมจึงว่าความปริพเท์กังวลวิตกก็ก่อนที่เราจะมาบวชไม่ว่าพระเนรและญาติโยมจะมาบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นอุบาศกุบาสิกาอยาว่าแต่เจ็วันสามเดือนหนึ่งปัญษาหรือไม่มีกำหนดแม้แต่สมวันท่านันบางครั้งบางคราวเราก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ หรือยังมีอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนที่กลัวต่อความทุกข์ความยากความห้อยความหิวเมื่อกลัวต่อความหอยหิวทุกข์ยากกันเกิดขึ้นเพราะความหิวความยากโอกาสที่เราจะรู้ความจริงว่ามันเป็นความจริงอย่างที่เรานึกเราคิดเราวิตกกังวลในที่สุด เกิดความกลัวขี้กาดตาขาวจริงหรือไม่มันก็เลยไม่มีโอกาสจะรู้เพราะเมื่อเราไม่มีโอกาสจะทดลองแม้แต่ตัวของเราท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกันทุกคนไม่มีดอกที่ว่าใครจะไม่เป็นมันก็จะต่างกันอยู่แต่ว่าการเวลามันก็จะต้องมีอยู่สักการหนึ่งเวลาหนึ่งสมัยหนึ่ง ในลักษณะที่ว่านี้แต่และแล้วเมื่อเราเข้ามาจริงๆแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้ความคิดของเรามันเป็นความความคิดความวิตกกังวลนะล้วนแล้วแต่เป็นความหลอกลวงล้วนแล้วแต่เป็นความเพอ่อเจอ้อทำไมจึงว่าหลอกลวงเพอ้อเจอ้อมันไม่เป็นความจริง อย่างที่มันไม่ตกกังวลไว้ไอ้ที่เวยตกกังวลไว้นั้มันคิดมันนึกรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆที่เราจะพอทนได้พอที่จะเข็นได้ทนได้อดกลั้นได้เยียวยาได้มันเป็นเรื่องหนักเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเรื่องเป็นเรื่องตายเลยทีเดียวแต่เมื่อเราเข้ามาจริงๆแล้ว เราก็จะเห็นความนึกคิดปริพธทกังวลเป็นเรื่องของความเหลวไหลเมื่อในลักษณะอย่างนี้มันเราก็ได้ความรู้จริงเราได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในความมิตกกังวลของเราแม้แต่เป็นอดีตการไปแล้วก็ตามและเราเห็นจริงในความมิตตกกังวลที่เป็นเรื่องของอดีตในปัจจุบัน เราก็ย่อมจะมีคุณสมบัติได้แก่ความเป็นจริงจริงอะไรความจริงที่มันปรากฏอยู่กับเราซึ่งเป็นตัวปัจจุบันนั่นนั่งสบายนอนสบายความอิดโอยโรุยแรงความผิวความกระหายเพระาะธาตุขันต้องการเป็นเรื่องของธาตุของขันมันก็ไม่มีไม่เป็นจริงอย่างที่ความนึกความคิดมันกกหก หลอกรวมหลอกหลอนให้เรากลัวทันนี้แหละเราก็จะได้ข้อเท็จจริงด้วยการพิสูจน์เพราะฉะนั้นในสว่าขาจตธรรมท่านจึงแสดงไว้ว่าปัจจตังเวทิตบพูวินโยหินันวินยูชนจะพึงรู้แจ้งได้เฉพาะตนอย่างนี้เป็นต้น ความรู้แจ้งคือตามความเป็นจริงข่อเท็จจริงนั่นมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตัวเราเท่านั้นไม่ใช่เป็นความรู้แจ้งของบุคคลผู้อื่นและเราก็จะรู้ความจริงในตัวของเราโดยอาศัยซึ่งความรู้ของผู้อื่นความรู้ของผู้อื่นนั่นจะเป็นของใครก็ตามแม้ในที่สุดสูงสุด ซึ่งเรายกย่องให้ท่านเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่ทรงค้นพบคําสอนเรียกว่าพุทธศาสนาทั้งหมดและทรงตั้งพระพุทธศาสนาและทรงบัญญัติหรือทรงอนุญาตทุกสิ่งทุกประกาศที่ปรากฏการขึ้นมาในพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าบริษัทสี่ก็ดี ภิกษุภิกษุณีอุบาสสามเนรีสิกขามนารือสามเนินก็ดนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตตัต้งขึ้นอุบาสกอุบาสิกาก็พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นพระโสดาสกาิตกาคารหารันทั้งมรรพผลก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสหรือตั้งขึ้นนี่คือสิ่งที่ปรากฏ แม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์จะบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นพระวาจาที่เปล่งออกจากพระอ์ล้วนแล้วแต่เป็นวาจาที่บริสุทธิ์ปาสจากกิเลและประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาเซลีซัมไปนั่นก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นพระวาจาที่บริสุทธิ์ เป็นพระวาจาที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาออกจากพระทัยของพระองค์ก็เป็นความดีของพระองค์ที่แผ่ออกมาสู่ปวงชนหรือสัตว์ตะวัโลกมีผลก็เพียงแค่ชี้แนะคือบอกวทางให้เท่านั้นว่าทางนี้เป็นทางเดินไปสู่สวรรค์ทางนี้เป็นทางเดินไปสู่นรกคือทุกขติ ทางนี้ไปสู่พมรโรคทางนี้ไปสู่การพ้นทุกข์ได้แกมนัดผลนิพพานก็พระองค์ทรงสแสดงทั้งหมดก็เพื่อผลคือการชี้บอกเท่านี้เองส่วนเราทั้งหลายสาวกสาวิกาจะเป็นอาศิติมหาสาวกแปสิบก็ดีพุทธสาวกสาวิกานับจํานวนไม่ท้วนก็ดีตลอดถึงพวกเราท่านทั้งหลาย ในปัจจุบันนี้ก็ดีการที่จะเข้าถึงรู้แจ้งเห็นอัดเห็นทรรมตามความเป็นจริงจนเป็นเหตุให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบซึ่งกล่าวคือดื่นดื่มรสชาติของพระสัจ ธ, ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้ในที่สุดใครก็ตาม สามารถบังอาจที่จะทำให้กิเลสน้อยใหญ่ให้หมดไปจา ก, กจิตใจของตนก็เป็นเรื่องเฉพาะตนไม่ใช่พระพุทธเจา้าพระรัศสาวกหรือครูบาอาจารย์ใดกับท่านผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงจะดนบันดาลให้เราได้เข้าถึงเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดตามผู้รู้ตามที่ท่านรู้ไปแล้ว ก็หาได้ไม่ทังนั้นท่านก็เพียงแต่ชี้บอกคุทางให้เท่านั้นว่าทางเส้นนี้นั้นเป็นทางก่อให้เกิดความทุกข์ทางเส้นนี้เป็นทางพ้นทุกข์ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นง่ายๆท่านแสดงไว้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่สัจจะก็แปลว่าของจริงของจริงสี่อย่าง ทุกขังอริยสัจจังของจริงคือทุกทุกขเป็นของมีจริงทุกขสมุดยโยอริยสัจจังเหตุให้เกิดทุกขก็เป็นของมีจริงทุกขนิโรโทอริยสัจจังของจริงคือความดับทุกนั่นก็มีจริงก็เป็นของจริงทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจัง ทางเป็นเครื่องดําเนินไดถึงความดับทุก์อย่างประเสริฐหรือถึงความพ้นทุก์ได้แก่อริยมรรหรือมรทั้งแปดก็เป็นของมีจริงเมื่อกล่าวลงไปโดยย่อๆแล้วก็มีอยู่สองอย่างทุกและเหตุใหเกิดทุก์นี่อันหนึ่งความดับทุกและทางถึงความดับทุก นี่อัน่เหตุชั่วผลชั่วเหตุดีผลดีมีอยู่เพียงแค่นี้ทางพ้นทุก์ในศาสนานี้ทุกนั้นท่านชี้เอาที่ไหนท่านชี้อารมณ์หายใจนี่อาจจะพูดกันสันส้นๆถ้าพูดกันให้ยาวก็คือขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขัน สังขารขันและวิญญาณขันขันห้านั่นอยู่ที่ไหนขันห้าก็คือกายว้างศอกยาวานาคือพันประกอบบริทวานทั้ง9ก้าก็รวมลงมาก็คือตัวเราคำว่าตัวเราว่าของเราตัวตนของเรานี่แหละเรียกว่ารูปขัน แยกแยกออกไปประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ท่านชี้ลักษณะไว้ให้เป็นสัญญาเพื่อกาหนดมนัษสิการทำไว้ในใจให้แยบคายคือกาหนดจดจาให้มันได้นั่นเองที่ว่าเป็นธาตุดินนะั้นมันมีลักษณะแข่นแข็งมันจะแข็งแข็งอยู่อย่างนั้นจะแปลอื่นไปอย่างไรมันก็กลับตัวอยู่ความแข็งแข็ง นั่นท่านชี้เห็นว่า น, นั่นคือเป็นลักษณะของธาตุดินความเหลวเอบอบาบซึมซาบชี้เห็นเป็นลักษณะของธาตุน้ําความอบอุ่นแม้ร้อนจนทนไม่ไหวกระสับกระสายทําให้ร่างกายสุดโทมในบางครั้งบางแาวสมัยเมื่อไข้มันขึ้นแรงความสูงจัดอุณหภูมิมันจัดพอพิษไข้ ท่านก็ชี้เอนั่นคือลักษณะธาตุไฟลมที่มันพัดขึ้นเบื้องบนเราเรอเอือกเอเขากินอาหารบูตรเนา่าออกมาด้วยลมเบื้องต่ำพายลมลมในท้องไลดำใสในช่องว่างช่องท้องมันให้ลั่นโอกาโกกาอยู่นั่นในที่สุดถ้ามันขึ้นหัว มันก็ทำให้ปวดเสียนเวียนเก้าวมืนหัวตาพรา่าอู้อในที่สุดลมหายใจเข้าหายใจออกแม่พัดไปมาตามตัวท่านก็ชี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าเป็นธาตุลมคำว่ามนัิการหมายถึงว่ากำหนดจดจำทำไว้เป็นท่ายแยบคายคือเป็นดูบใบในใจคือจดจำเขาไว้นี่แหละธาตุลมนะ รักษนณะลมดินน้ำไฟมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้และท่านก็ชี้ลงไปในรูปขันของเรากว่างสอกยาวานาคือนี่รูปขันเวทนาขันได้แก่ความรู้สึกสุขบั่งทุกข์บั่งไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ว่าจะอาศัยของหยาบเกิดขึ้นของละเอียด อาศัยลู่ในลู่เกิดขึ้นอาศัยของหยาบก็คืออาศัยกายตาหูจมูกดิ้นกายอาศัยลู่ในลู่ก็หมายถึงลู่หมายถึงจิตใจจิตใจคือความรู้อาการของจิตก็คือความรู้รู้ในลู่เกิดขึ้นรู้ในลู่เกิดขึ้นยังไงคําว่าอิทธารมได้แก่อารมณ์ที่น่าปรารถนา อนิธาธารมอรมณไม่เนิึงหน้าปราถนาคําว่าอนิธาอิทธาอนิธาอารมณ์ที่น่าปราถนาไม่ปาัาดไม่น่าปราถนานะ่ยมันปรากฏที่ไหนมันปรากฏที่ใจเมื่อมันปรากฏที่ใจมันก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นโดยที่มาใส ถาประเหตุการถ้าเราจะบอกชี้บอกถึงว่าอะไรเป็นอิทธารมณิทธารมราบยศสรรเสริญสุขราบยศสรรเสริญสุขนี่เป็นอิทธารมความเสื่อมราบเสื่อนยศนินทาทุกขนั่นเป็นอนิทธารมนี่แหละรู้ในรู้ความชอบไม่ชอบ มันปรากฏขึ้นในจิตเพราะอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยตาคู่กันกับรูปวิญญาณเรียกว่าจักขุกวิญญาณความรู้แจ้งในทางตาในขณนะที่ตากระทบกับรูปและแสงสีต่างๆเกิดวิญญาณคือความรู้ขึ้นว่า น, นี่คือรูป นี่คือแสงสีจะเป็นสีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีแสดก็ตามจะเป็นรูปหญิงรูปชายมนุษย์รูปสัตว์มีเท่ามากไม่มีเท่าก็ตามนี่แหละมันเป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำให้เกิดอารมณ์ซึ่งรวมลงไปเป็นอิทธาลมอนิธาลม นั่นเป็นที่รวมของอารมณ์ท่านจึงเรียกว่าเป็นโรคธรรมความมีราบยศนเสินสุขนี่เป็นฝ่ายดีใครใรก็ชอบต้องการและปรารถนาเพราะเห็นว่ามันดีความเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกข์มันจะเป็นทุก ข, อกอขก์อาศัยของหยาบหยาบเกิดขึ้นก็ดีอาศัยของละเอียดเกิดขึ้นในจิตในใจโดยเฉพาะก็ดี เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเรียกว่านิสถารกมันปรากฏในจิตในใจของเราแลวปรากฏรู้ในรู้มันเป็นเรื่องของความรู้ถึงมันจะท่านจึงเรียกว่าเป็นโลกกะระมมันหมายถึงวัตธรรมที่ครอบงาสัตวโลกอยู่สัตวโลกก็คือเราทั้งหลายนีย ถึงแม้เราจะเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนเป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งหน้าตั้งตารับพระหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็ น, นพระเป็นเดนเป็นอุบาสกอุบาสิกาตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายก็ตามคำรโรคธรรมนั้นก็ไม่งดเว้นใครทั้งสิ้น มันมีหน้าที่ครอบงำก็จะต้องครอบงำอย่างนั้นเหมือนกับฟ้าซึ่งเราสมมติว่าฟ้านะมันอยู่บนศีสาะของเรามันครอบโลกคือแผ่นดินรวมทั้งสัตว์โลก ค, คือเราด้วยอย่างนี้เป็นต้นชั้นใดคำว่าราบยศนรสเสิญสุขเสื่อมราบเสือนยศนิทาทุกท่านเรียกว่าเป็นโลกกระทา เป็นธรรมที่ครอบงาสัตววโลกอยู่เป็นประจําเรื่องเนืองนิดมันจะเกิดอยู่อย่างนั้นจะเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ใครจะเกิดมากเกิดน้อยมันจะระสลับสับเปลี่ยนกันไปอยู่ตลอดเวลามันจะหมุนไปเหมือนกระดวงพระอาทิตย์มันก็จะหมุนโคจรเพรมันไปเรื่อยโดยไม่คํานึง แก่เสียงของสัตว์ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานความโคจรของพระอาทิตย์จากวันเป็นคืนจากคืนเป็นวันจากหลายวันเป็นอาทิตย์จากหลายอาทิตย์เป็นเดือนจากหลายเดือนเป็นปีถ้าหากว่าเราจะมาพิ จ, จรารณากำหนดหมายทาความเข้าใจในความรู้สึกของทวงสัตว์ไม่ต้องทั่วโลกเฉพาะมนุษย์เหล่านี้ ในหนึ่งชั่วโมงขณะนี้นั้นเราจะเห็นความผิดแผกแตกต่างในความรู้สึกนึกคิดของปวงสัตว์โดยไม่อาจจะขนานนับได้หนึ่งชั่วโมงในขณะนี้นั้นสัตว์บางพวกก็กำลังจะมีความสุขสนุกรื่นเริงเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่ตนถูกกับอารมณ์ถูกกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสนั้น รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยสายตาหูจมูกดิ้นกายใจของตนเป็นพื้นฐานก่อตั้งขึ้นมันถูกกันกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอารมณ์ที่ปรากฏในมโนคือใจของตนเขาก็จะเต็มไปด้วยความสนุกเพลิดเพลินลื่นเลยแม้มันจะหมดสิ้นเปืองไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่ล้านก็ตาม เขาจะลืมถึงอนาคตและอดีตหมดสิน้นปัจจุบันนั้นเขาก็จะมีตั้งแต่ความสุขเขาจะลืมถึงอนาคตและอดีตหมดสิน้นปัจจุบันนั้นเขาก็จะมีตั้งแต่ความสุขนี่สัตว์บางพวก อย่างนี้เป็นต้นพวกเราละ่ะพวกเราก็มีความสุขความทุกข์อีกแบบหนึ่งชนิดหนึ่งตราบใดเมื่อใดเราไม่เห็นว่าการที่เราได้ฟังเทศตั้งใจสดับรับฝังตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเรานี่เห็นว่าเป็นเรื่องของความดีความถูกความงาม เป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจเป็นอย่างยิ่งเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็พอที่จะมีความสุขก็พอที่จะนั่งฟังอยู่ได้ด้วยความสบายถึงแม้ว่ามันจะนานเวทนาจะเกิดขึ้นมันก็พอที่จะต่อต้านต่อสู้ที่จะเก็บแระสังสมาคุณงามความดีจากการฟังได้ตลอดไป ถ้ายิ่งจิตของเรามีความเพลิดเพลินอยู่กับการกําหนดการบริกรรมการภาวนาของเราด้วยจะฟังก็ตามหรือถ้าฟังอยู่จิตใจของเรารู้สึกว่าเพลิดเพลินยิ้มแย้มแจ่มใสอันประกอบกับการภาวนาในจิตของเราเป็นไปพร้อมอย่างนี้ ถึงแม้ว่ามันจะล่วงการควรแก่การเจ็บปวดขบเมื่อยอันจะพึงเกิดขึ้นในสติละร่างกายของเราเพราะมันเกินเวลาตามปกติของมันแล้วมันก็สามารถที่จะนั่งอยู่ได้ด้วยความสบายกายกายก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มึนไม่ชาจิตใจก็เพลิดเพลินจเจริญด้วยบุญกุศลบุญกุศลคือ บุญคือความสุขกุศลคือความสำเร็จไม่ได้แปลว่าปัญญาละสำเร็จจาัด ก, การฟังประสบพ้นในการฟังประสบพ้นในการปฏิบัติอบรมจิตของตนเรียกว่าเราได้เห็นผลในขนาดของการปฏิบัติอันเป็นตัวปัจจุบันโดยการอย่างนี้ความปวดความเมื่อยทั้งกายและจิตใจ มันก็ไม่เกิดขึ้นในชื่อว่าเราได้บรรลุถึงคุณความคุณความดีคือบุญกุศลที่จะพึงเกิดขึ้นหรือเป็นไปกับการกระทำของเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายอยู่ในท้ำกลางของโลกกระทำ โดยที่ถูกรกวธรรมครอบงำอยู่เนืองนิดอย่างนี้เราจะทำอย่างไรเปรียบเหมือนฟ้าครอบตัวเราอยู่ถึงบางเลิศบางเดือนบางฤดูมันก็แผดแสงกล้าปีหนึ่งจะมีอยู่สามฤดูเหมมันคิมหันวสันฤดูฝนสี่เดือน แล้วดูหนาวสี่เดือนแล้วดูร้อนสี่เดือ น, อนปีหนึ่งรวมเป็นส2บสองเดือนแล้วดูที่ร้อนจัดก็คือมีนาเมษาพฤษภาคงจะไม่พ้นไปจากสามเดือนนี้อุณหภูมิสูงจัดพระอาทิตย์จะแผดแสงกล้าสิ่งที่จะมาบดบังบัณทอนความกล้าของพระทิตย์เช่นเมฆและหมอก ก็ไม่มีเสียด้วยเพราะมันเป็นท้องฟ้าในยามที่ฤดูการที่แห้งแรงความชุ่มชื้นหมูสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะเราหมูมวลมนุษย์ก็จะถูกความร้อนแผดเผาเมื่อฤดูการอันนี้ผ่านไปเราก็จะเข้าฤดู ร, อร้อนฤดูฝนฤดูหนาว เราทุกคนก็ได้สัมผัสลิมรสชาติมาแล้วเป็นอย่างดีพอที่จะทำให้เราเข้าใจได้แต่แ ล, แล้วเราก็ยังมีสติปัญญาสา ม, มารถที่จะแก้ไขปกป้องกาจัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรเทาเบ า, บาบางลงไปจากชีวิตจิตใจของเราได้อันนี้ฉันได้คำา ร, ระโรคธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันถึงแม้ว่าจะครอบพวกเราอยู่พระอาทิตย์จะแผลด แสงรัศมีแผดเผาเราอยู่ก็าตามเราก็มีปัญญาที่จะแก้ไขเห็นไหมร้อนจัดเราก็มีปัญญาเพื่อจะปกป้องความร้อนจัดหนาวจัดเราก็มีปัญญาปกป้องความหนาวหรือความเย็นจัดฤดูฝนจัดเราก็มีทั้งนั้นแหละเพราะเรามีปัญญาสิ่งธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นจึงให้โทษแก่พวกเราทั้งหลายไม่ได้เต็มที่ และเราก็สามารถที่จะหาความสุขความสะดวกสบายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราทั้งในฤดูกันแต่ลฤดูผ่านไปอันนี้ฉันใดคำว่าโลกกระทำถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติครอบงำสัตว์โลกอยู่เนืองนิดก็ต่างแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าสัตว์โลกทั้งหมดนั่นจะต้องตายจมกอมกันอยู่เพราะอานาจแห่งโลกกระทนั้น ไม่มีทางที่จะเล็ดลอดหลุดพ้นไปได้เลยปลดเปรื้องไม่ได้หรือก็หามิได้เรามีความฉลาดสามารถแก้ไขบำบัดธรรมชาติคือฤดูกาลแม่เราต้องเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวตามหน้าที่ของเขาเพราะเรามีปัญญาอันนี้ฉันใดโลกกระทำก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีทางที่เราจะปลดเพื่องแก้ไขแม้มันจะครอบงาเรามาเป็นเวลาชานานก็ต่างโดยที่เราอาศัยรับทาคําสอนของพระพุทธเจ้ากันนี่แหละอาศัยการบวชเมื่อบวชมาแล้วเราก็อาศัยการเรียนการศึกษาเรียนทำไมศึกษาทำไมเพื่ออะไรเรียนศึกษาเพื่อเกิดความรู้ ก็ใหเกิดความเข้าใจรู้ในอะไรรู้ในเรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดแต่จะพูดถึงเรื่องบุญก็รู้ในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องโง่เรื่องเฉลาดกุศลอกุศลกุศลโดยคุณก็คือแปลว่าความเฉลิมอกุศลก็คือความโง่ทำไมเราจึงต้องไปรู้ความโง่ความชั่ว ทำไมเราจึงจะต้องไปรู้ความไม่ดีความผิดในเมื่อมันบาปจะไปรู้มันทําไมในเมื่อมันผิดจะไปรู้มันทําไมในเมื่อมันชั่วจะไปรู้มันทําไมเราควรจะรู้แต่สิ่งที่ดีๆรู้แต่เรื่องที่ถูกรู้แต่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลรู้แต่เรื่องที่ขาวสะอาดผ่องใสมันจะไม่ดีกว่าหรือ แต่ความจริงนะ่ะท่านก็อยากแค้รู้อย่างนั้นอยากแก้อยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นตั้งอยู่อย่างนั้นแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งใดๆก็ตามเกิดขึ้นแล้วมันล้วนนั่แต่ของไม่เที่ยมเป็นทุกข์คือคงทนอยู่ไม่ได้เหมือนกับตัวเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดตัวเราผู้ที่ถูกโรคกระทำก็ครอบงำ แล้วก็ทาตนเป็นโลกกระทำสำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสัตว์โลกทั้งหลายมันก็เป็นตัวโลกกระทำสำหรับเราเราก็เป็นตัวโลกกระทำสำหรับสัตว์อื่นบุคคลอื่นเช่นเดียวกันที่นี่เราลองมองดูสิว่านับจำเดิมตั้งแต่เราปฏิสนธิลงมาสู่คันของมารดาคือแม่และเขาก็จเจริญเติบโตไปตามกฎธรรมชาติของธาตุของคัน จนมาเป็นตนเป็นตัวของเราโดยสมบูรณ์บริบูตรที่มานั่งอยู่นี่นั่นแหละเขาแสดงคือสัจจกของจริงได้แก่นิจจังความไม่เที่ยงการที่เราได้ประสบกับสิ่งต่างๆนั่นเพราะผลคือความไม่เที่ยงทั้งสิ้นถ้าเที่ยงคงที่แล้วเราจะไม่เจออะไร เราจะเจอสิ่งเดียวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นความรู้สึกก็สิ่งเดียวก้อนาธาตุก็อันเดียวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เราเจอแล้วเจอเล่าเจอแล้วเจอเล่าจนนับไม่ท้วนตลอดทั้งจิตใจของเราก็เหมือนกันบางครั้งบางคราวมันเกิดอิดนาราใจ ทั้งกายของเราวาจาของเราทั้งความรู้สึกนึกคิดของเราในชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาที่มีลมหายใจมากปีบ้างน้อยปีบ้างถ้าเราจะมากำหนดนับทำความรู้อย่างที่กล่าวมานี่เฉพาะ ต, ตนเฉพาะ ต, ตนมันก็ไม่อาจที่จะกำหนดรู้ได้ทุกขังคือตั้งอยู่ไม่ได้ทุกขั้งไม่ใช่นั่งปวดเอวปวดหลังมืนชา ร้อนเป็นไฟขึ้นมาพอนั่ง น, น้ำปวดท้องปวดไส้ปวดเส้นปวดเห็นปวดหูปวดตาไม่ใช่คำว่าทุกขังท่านแปลว่าทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่หมายถึงความเจ็บความปวดแม้เราจะนอนอยู่สบายมันก็นอนอยู่ไม่ได้นั่งสบายมันก็นั่งไม่ได้ต้องลุกกินอยู่สบายๆมันก็กินอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องเลิก นั่นแหละทุกขงังมันไม่ได้เกี่ยวเพราะทุกคือความเจ็บปวดชอบใจไม่ชอบใจแต่มันเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเป็นอยู่ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายถ่ายเทไปตามหน้าที่ของมันอันนั้นแหละเป็นตัวธรรมชาติเป็นของจริงที่มีอยู่ในตัวของมันไม่ว่าอะไรทั้งหมด มันจะเกิดขึ้นเองต้นไม้ภูเขาแม่น้าทะเลหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เราสร้างขึ้นคนคิดขึ้นมาแล้วก็ประดิษฐ์ประดานสร้างมันขึ้นมาไม่ว่าอะไรทั้งหมดนับจําเดิมตั้งแต่ก่อมันขึ้นมาสำเร็จรูปมันก็จะแสดงคือความทุกข์ขังให้เห็นอยู่แต่พวกเราไม่เห็น แต่พวกเราไม่รู้เพราะสิ่งนั้นนมันเป็นของละเอียดอ่อนปราณีตมากไม่ต้องพูดถึงคำว่านัตตาบังคับบัญชาสั่งบงการไม่ได้ถึงดังนั้นพวกเราก็ยังไปหยิบไปช่วยไปถือเอาบางสิ่งบางประการสมควรที่จะยึดเหมาะที่จะถือว่าเป็นเราของเราเป็นของของเรา อย่างมือและเท้าของเราดีบัญชาให้ยืนลุกจากนั่งก็ได้ให้ก้าวไปข้างหน้าก็ได้ถอยมาข้างหลังก็ได้จะให้ดูซ้ายดูขวาดูหลางดูบนได้ทั้งนั้นนี่แหละเพราะมันได้อย่างที่ใจบัญชาในบางสิ่งบางประการส่วนที่มันไม่ได้นะ่ะมันน้อยแต่ที่มันไม่ได้เป็นประจำอยู่เราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้ มันจริงสมควรแล้วที่เราจะต้องสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราเพราะมันใช้กันได้หูให้ฟังได้ใจใครลึกให้คิดให้ปรุงให้แต่งอะไรได้ใช่ไหมอดีตก็ได้อานาคตก็ได้ตาจใจดูรูปดูแสงดูสีหูจใจฟังก็ได้มือจะสั่งให้หยิบจ้อนตะกาหารเข้าปากมันก็ได้ทนะั้ง น้อยครั้งที่มันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นสมควรที่เราจะต้องยึดถือสำคัญผิดแต่นี่คำว่าทุกขังมันตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นของละเอียดใครเราจะเห็นนอกจากที่จะมาเชื่อคำชี้นแะและปฏิบัติค้นคว้าไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้ามันมีความเรินรับเพราะฉะนั้น ตัวของเรานี่มันปรากฏซึ่งความมณิจังทุกขังนั้ตาอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้จะเห็นก็ตามไม่รู้ไม่เห็นก็ตามมันก็แสดงอยู่อย่างนั้นเหมือนกับพระอาทิตย์พระจันทร์มันก็จะหมุนเวียนโคจรอของมันไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้คำนึงถึงความเรียกร้องต้องการไม่ต้องการของบุคคลสัตว์ใดๆทั้งสิ้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมัาก็เป็นอยู่อย่างนั้น เมื่อเรามารู้ซึ่งความเป็นจริงอย่างนี้กำหนดหมายธรรมาจารย์ไว้ในใจและพยายามพินิษพิจารณากำหนดทำความรู้ทำความเข้าใจอยู่เสมออยู่เนืองเืองเตือนกายเตือนจิตของเรามองกายของเราอยู่เสมอมองวาจาของเราอยู่เสมอมองตาหูจมูกริ้นกายของเราอยู่เสมอตาเป็นอนิจจังอย่างไรทุกขังอย่างไรอนัตตาอย่างไรศึกษาอยู่เสมอ จดจ้องมองดูตาดูอยู่เสมอหูฟังอยู่เสมอฟังความเคลื่อนไหวดูความเคลื่อนไหวปรากฏประจักรเกิดขึ้นในกายของเรากายของบุคคลผู้อื่นเกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟภายนอกคือบุคคลอื่นสัตว์อื่นแม้แต่ที่สุดแผ่นดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาห้วยน้องคลองบึง ภายในคือตาหูจมูกดิ้นกายกว้างสอบยาวานาคืบคือตัวของเราการกระทําทั้งหมดการพูดทุกคําความคิดทุกครั้ง ร, ร้วนละแต่เป็นนิจจังทุกขังอนาาัตตาสัจธรรมปรากฏอยู่ในนั้นเราผู้แสดงเองก็เป็นตัวสัจธรรมสิ่งที่ถูกเราแสดงออกไปให้ปรากฏในโลกมันก็เป็นตัวสัจธรรม เมื่อเรารู้อย่างนี้ทำอย่างไรเราจรึงจะรู้ทำอย่างไรเราจรึงจะเข้าใจเราก็ต้องพยายามศึกษาค้นคิดเมื่อรู้จักรู้ทางแนวทางอุบายวิธีท่านชี้ท่านบอกว่าอย่างนี้อันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อันนี้คือความเกิดความดับตั้งอยู่ไม่ได้ มันจะเคลื่อนย้าถ่ายเทมันไปโดยไม่มีอาการคำว่าไม่มีอาการคือไม่มีทุกเป็นนิมิตไม่มีสุขปรากฏนิมิตในขณะที่มันเคลื่อนไหวเนะี่ยทุกขังตัวนี้ยิ่งจะเห็นยากยิ่งจะรู้ได้ยากแต่ทุกขังมันเกิดขึ้นเพราะปวดหัวไข้ขึ้นแรงสูงทุกขังมันเกิดขึ้นเพราะโลกฤทธิดวงตาตาแดงมันเกิดขึ้น วิตสะดวงจมูกมันเกิดขึ้นเร่อ ง, งอก็เกิดขึ้นเจ็บปากแลมันน่าเกิดขึ้นมันก็พอที่จะรู้นะตุ่มคันมันเกิดขึ้นก็พอที่จะรู้เจ็บไส้เจ็บภูมิเจ็บตับเจ็บไตมันรู้แต่ทุกขังที่มันไม่ปรากฏอาการคือไม่ปรกากฏความสุขคว า, ามทุกข์เนี่ยนี่แหละมันเป็นของรายละเอียดเมื่อเรามาพิจารณาศึกษาตามรู้ตามเห็นอย่างนี้ได้ ก็สามารถที่จะปลดเครื่องคำมาโรคกระทำให้พ้นไปจากศีรษะคือหัวใจเราได้ที่มันครอบงำเราอยู่เท่ากับว่ามันคุมศีรษะเราอยู่เหมือนพระทองฟ้าคุมตัวเรานั่นก็หมายถึงใจความยินดีในลาบรสสนเสริญเกิดขึ้นความยินไล่เสื่อมลาบเสื่อมยบมันปรากฏอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลา และมันก็ในตัวของเราเนี่ยแสดงอยู่ทั้งวันนั่งสบายมันก็ต้องการไม่สบายไม่ต้องการเราไม่ต้องไปดูไก่ธรรมโรกธรรมเรานั่นแหละเป็นคนสร้างขึ้นความยินดีความพอใจลาบยศธนเสริญสุขมองใกล้เข้ามาเสื่อมลาบเสื่อมยศมินทาทุกมองใกล้เข้ามาคือตัวเราตราบใดที่เรายังรู้ไม่แจ้งจะเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเรารู้แจ้ง ตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้เราจะปลดเปื้องสิ่งทั้งหลายเ่านี้ให้หลุดหล่นไปจากหัวใจของเราได้แก่ตัวรู้อาการที่หลอกลวงทำให้เราต้องละเมอเพ้อฝันมีอะไรกับเพ้อฝันไปด้วยปัญญากับเพ้อฝันความอดทนกับเพ้อฝันความเพียรกับเพ้อฝันไปในทางที่ผิดเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเราก็ควรจะต้อง รักษาคุณสมบัติอันนี้มาใช้ในทางที่ถูกใช้ขันตีในทางที่ถูกความภาคเพียรในทางที่ถูกสติปัญญาความเฉลาดในทางที่ถูกนั่นแหละจึงจะเหมาะสมแก่เราทั้งหลายผู้ที่ตั้งใจเข้ามาสู่ในศาสนานี้จะมากก็าตามน้อยก็ต่างเพื่อจะมาระความชั่วบำเพ็ญคุณความดีและรักษาคุณงามความดีสั่งสมบา ร, รมีเกิดมีขึ้นแก่พวกเรามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าความดีเท่านั้นที่จะทำให้เราพอที่มีชีวิต จ, จิตใจอยู่ด้วยกับความสดชื่นคือบุญและกุศลเพราะฉะนั้นการที่ได้ชี้แจงแสดงธรรมสู่กันฟังก็เห็นว่าพอควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการและฉนี้ละวันนี้ <c oughs> เป็นวันนัธรมีดิธีที่แปดขัแห่งสุการะปับ บรรดาพวกเราทั้งหลายทั้งกรหัตระบัปรปชิตตามก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมประชุมเพื่อประกอบซึ่งศาสนาิจอันเป็นส่วนเ่ืมองต้นคุณแก่การบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนของตน มีการนพิวาตกราบไหว้สักการบูชาด้วยอามิรมีดอกไม้ถูกเพียนเป็นต้นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งโดยมีพระพุทธปฏิมากรเป็นประธาน กล่าวนมัตสการพระธรรมคำสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเ จ, จา้าตลอดถึงมูเราภเรสงสาวกพร้อมด้วยเครื่องสการบูชาดำก่าวอันประกอบด้วยกายวาจาและจิตใจของตน ตลอดถึงการได้สมาทานซึ่งข้อปฏิบัติอันควรแก่การสมาทานจะได้นำไปปฏิบัติเพื่อเป็นการขัดเกลอกายวาจาตลอดถึงการรักษากายวาจาของตนให้ดำรงทรงตั้งอยู่ ในความเป็นปกติโดยความเป็นสินห้าบั้งสินอุโบโสถบั่งได้เป็นที่จบลงด้วยดีกิจทั้งหลายที่เราได้พากันกระทาบำเกิญให้เป็นไปแล้วนี้จงได้โปรดเข้าใจถึดว่านั้นได้แก่ กรริยานกรรมเป็นการกระทาที่ดีงามหมายถึงเป็นการกระทาที่ประกอบด้วยความบริสุทธิ์ตั้งในส่วนกายวาจาและจิตของตนในโอกาสต่อไปนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้ประกอบติดตามหน้าที่ของตน สำหรับผู้ที่มุ่งต่ออัดต่อรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือเป็นผู้มีความตั้งหน้ามุ่งในอันที่จะกำจัดปัดเป่าบาปรากุศนมักเกิดขึ้น ในกายวาจาใจของตนเรียกว่าความทุจริตและอกุศลในทาง จ, จิตใจให้เบาบางหมดไปและไม่ให้เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติขาดเก่าของตนกับทั้งที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติอบรม อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความสุจริตธรรมให้เกิดมีขึ้นภายในกายวาจาจิตของตนกับทั้งที่จะรักษาให้ดำรงทรงอยู่ในตนของตนตลอดกาลรรนานดังนั้นธรรมะที่จะได้นำมาชี้แจงแสดง เพื่อเป็นการเฉริมเพิ่มเติมกุศลตลอดถึงการประครับประคองการประพฤติปฏิบัติของเราแต่ละท่านแต่ละคนตลอดถึงการส่งเสริมซึ่งสติปัญญาและนำมาซึ่งอุบายธรรมต่างๆ สู่กันฟังในวันนี้ตามที่ปรากฏเป็นภาษาบาลีได้ยกไว้เป็นนิเคป บ, บทเบื้องตน้นนั้นว่าอาทิกริยานังมัตเชกริยานังปริโยซากัริยานังซึ่งแปลเ ป, เป็นใจความว่าความไปรบในเบื้องตน้นในทํากลางและในที่สุด ดังนี้อันนี้เมื่อแปลออกมาแล้วยังไม่ได้ชี้บอกถึงความหมายกรู้สึกว่าจะไม่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นเรื่องเป็นลาวคือไม่ได้ถ้อยได้ความมีตั้งแต่ความไพ่เราะไม่ทราบอะไร ความภัยเลาะนั้นหมายถึงอะไรก็ไม่ทราบอะไรทําให้ภัยเลาะก็ไม่ทราบอันนี้ถ้าใจะกล่าวเปรียบเทียบรูปประมาประใหม่แล้วเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายได้รับความภัยเลาะกันอยู่เป็นประจำหรือได้รับความภัยเลาะจากโลก ซึ่งความไผละหรือที่มาของคาว่าไผ่ละนั้นมันมีมากอยู่ด้วยกันมีมากด้วยกันถ้าเราจะมองให้ไกลออกไปจากสมบทฐานตัวที่จะเครื่องเป็นเครื่องรองรับสิ่งทั้งหลายบันดาลให้เกิดขึ้นซึ่งความไผ่เละนอกเหนือไปจากภายในตัวของเราแล้ว มีมากอยู่เต็มโลกถ้าเมื่อเราจะมองใกล้เข้ามามากน้อยมันก็มีอยู่เท่ากับตัวตนของเราที่เรายึดที่เราถือที่เราสำคัญมั่นหมายนั่นเองเมื่อกล่าวสัท่านๆก็คงไม่พ้นไปจาบตาหูจมูกลินกายและ จิตใจของเราตาหูจมูกิ่นกายและใจทั้งหกประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นฐานเครื่องรองรับคำว่าไเรอะแต่ละอย่างนั้นความไปรอดนั้นเราอาจจะได้รับจากสาเหตุภายนอก นานับประการคือมีมากด้วยกันแต่แ ล, แล้วก็คงไม่พ้นไปจากพื้นฐานเป็นเครื่อนรองรับภัยเลาะที่เกิดขึ้นจากตาของเราความภัเลาะเกิดขึ้นจากหูความภัเลาะเกิดขึ้นจากจมูกความภัเลาะเกิดขึ้นจากลิ้นความภัเลาะเกิดขึ้นจากใจจากกาย ความไฟร้อเกิดขึ้นจากใจนี่จำง่งายๆรวมเก่าสั้นๆก็ได้แก่เกิดขึ้นภายในตัวของเราหรือตัวของเราหมายถึงหนดตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นนั้นเป็นฐานเครื่องรองรับหรือเป็นที่เกิดแห่งความไฟร้ออย่างที่เราคเข้าใจกัน แต่เมื่อมีความไผ่ล้อแล้วส่วนตรงกันข้ามคือความไม่ไผ่ล้อถึงแม้เราจะไม่ต้องการเราไม่ปรารถนาหากสิ่งทั้งหลายเ่านั่นเ่านั่นก็เป็นธรรมาชาติที่มีอยู่ในโลกคือโลกเดียวกับเราและก็มีสิทธิ์ในอันที่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป บนพื้นฐานคือตาหูจมูกล่้นกายและจิตใจของเรามากพอเช่นเดียวกันกันกบความไปเลาะที่พวกเราท่านทั้งหลายต้องการและปาดถนาแม้มีอยู่แล้วก็พากันบกมุ่นและมัวเมาจมอยู่ไม่รู้สั่งแม้กาดตกบกพร่องก็พากันตะเกียบตะกายแสวงหาทั้งนี้ก็เพราะเป็นสิ่งที่ตนชอบ แปรเข้าใจว่าเป็นที่มาแห่งความสุขสำราญใจนั่นเองอันนี้ฉันใดคำว่าภัยร่อในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดได้แกท่ทธิกริยานังมัชเชกริยานังปรโยซากริยานังอันนี้ประกาศถึงผลเป็นผลทึงสืบเมื่อมาจากเหตุแต่นี่เมื่อจะชี่ถึงเหตุ หรือความหมายที่มาของความว่าไภาลเลาะในเบื้องต้นทํากลางนั้นเมื่อเราจะกล่าวอย่างกว้างๆและสั้นและเข้าใจง่ายที่สุดก็ได้แก่บรรดาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะกรรมทั้งสามประการนี้ชี้ถึงผลหรือประกาศถึงผล หมายถึงสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากเหตุได้แก่ทำคำสอนของพระสมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าจะด้วยโดยเป็นพระสูตรพระวินัยพระประมัติเมื่อจะย่อลงมาได้แก่สินและธรรมซึ่งมีความหมายถึงคำว่าสินนั่นก็หมายถึงกฎตัวกฎบทบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติซึ่งเป็นข้อห้ามและข้อทรงอนุญาต เมื่อกล่าวสั้นๆก็ได้แก่สินธรรมะได้แก่คำสอนซึ่งไม่ประกาศผลเข้าไว้ในตัวเมื่อบุคคลผู้ใดน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอบรมให้เกิดมีขึ้นในกายในวาจาและจิตใจของตนเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎของความจริง ทั้งในส่วนที่เป็นปหานะส่วนที่ละทั้งในส่วนที่เป็นสังวระที่สํารวมสงวรทั้งในส่วนที่สร้างสรรค์คือภาวนาคือทําให้เกิดมีขึ้นได้แก่คุณความดีตลอดถึงการรักษาผู้ปฏิบัตินั้นก็ย่อมจะได้รับโทษหรือคุณโดยสมควรแก่การปฏิบัติถูกหรือผิดในเรื่องของธรรมานั้นๆ เมื่อย่อคําสอนของพระพุทธเจ้าลงมาแล้วได้แก่ศีลและธรรมเพราะฉะนั้นคําว่าอธิกรยานางมัตเธกรยานางปริโซปรีโซกรยานางนั้นก็หมายถึงว่าศีลและธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เองมีความไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดแนี้ความไพเราะอันเกิดเป็นผลเกิดขึ้น จากการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนั้นเป็นความไพ่เรื้ออย่างไรเมื่อรวมกล่าวสั้นๆง่ายๆความไพ่เรื้ออันนี้ย่อมไม่ปรากฏการเหมือนอย่างกับความไพ่เรื้ออย่างในทางโลกความไพ่เรื้อเกิดขึ้นจากตาของเราก็ได้แก่รูป แสงสีที่สวยสดงดงามแล้วก็ทําให้เราได้รับความรื่นเริงบันเทิงใจเปรียบได้กับความใยรอ้อแต่ส่วนธรรมะนั้นไม่มีรูปไม่มีร่างที่จะบันดาลหรือก่อให้เกิดความสวยสดโงดงามเหมือนกับรูปแสงสีต่างๆผ่านความหยาบ เราจะไม่ได้รับความไพเราะเพลิอเพิินจเจริญใจโดยอาศัยรูปและแสงสีในเรื่องของคาว่าธรรมะวิัยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าหากเป็นธรรมชาติที่ละเอียดจะปรากฏผลเกิดขึ้นประทับอยู่ในจิตใจโดยส่วนเดียวเท่านั้นถ้าเราจะอาศัยถึงของหยาบ ก, ก็จะชี้ให้เราได้เห็นได้ ได้แก่พื้นฐานซึ่งเป็นเครื่องรองรับความไพระในเบื้องต้นก็ได้แก่กายของเราได้แก่วาจาของเราได้แก่ใจของเรานี่ถ้าจะเปรียบเทียบอาทิกรรยานังกรรมที่กรรยากรรมที่เกิดมีขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกาย ของเราทุกๆคนไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆเป็นกิริยานรรมเป็นกรรมที่ดีงามหมายถึงกรรมที่สุดจริตกรรมสุดจริตเป็นการกระทำที่สุดจริตกรรมที่สุดจริตปานาติปาตาเวรมณี การไม่ฆ่าสัตว์อันมีลมปราณคือสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงคือตายไปนั่นแหละเราจะนั่งทํายืนทําเดินทํานอนทําเราจะประกอบกิ จ, จาการใดๆก็ต่างเป็นการยืนเดินนั่งนอนเป็นการกระทําทั้งปวงที่ปราศจากการแต่ต้องชีวิตของสัตว์ให้ตกล่วงไป ได้ชื่อว่าเป็นกรรมกรรมที่ดีงามเป็นกรรยานกรรมเป็นกรรมที่สวยงามเป็นกรรมที่ดีเป็นกรรมที่งามเป็นกรรมที่สุจริตเมื่อบุคคลผู้ใดมีกรรมที่สุดจริตนี่ยกขึ้นมากล่าวเพื่อชี้เห็นเพียงข้อเดียวแต่ความจริงนั่นมันมีมากก็ขอฝากผู้ฟังและตั้งใจผู้ฝึกฝนอบรมตนของตน นําไปพินิษฐพิจารณาค้นคว้าให้กว้างขวางกระจ่างแจ้งเอาได้เฉพาะตนก็แล้วกันที่กล่าวโดยย่อพอที่จะเป็นเครื่องชี้ให้เราได้เห็นหรือเข้าใจถึงความหมายของวัคกรรมที่งามในเบื้องตน้นหมายเชี่ยวลงที่กายของเราพื้นฐานก็คือกายของเรามัดเชกริยานัง งามใน่าำกลางก็คือวาจาวาจาที่สุดจริตมูซาวาดาเวรามาณีการงดเว้นจากการกล่าวใดๆก็ตามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะประกอบกิจการใดๆก็ตามคือวจีกรรมซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากทางปากกล่าวคือวาจาแล้วเป็นวาจาที่สุดจริต เป็นวาจาที่ดีงามเป็นวาจาที่ไพเราะเป็นวาจาที่อ่อนหวานมาทุพพานีสุพานีอะไรก็ว่ากันไปเถอะอย่าไปกล่าวเป็นทุพพานีก็แล้วกันทุพพาณีเขาเรียกว่าวาจาชั่ววาจาหยาบวาจาที่มันไม่มีประโยชน์อันนั้นเป็นวาจาไม่ดี เมื่อเรารักษาวาจาของเราในไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนและกล่าวใดๆให้เราเพ่งมุ่งและมั่นหมายถึงความสุดจริตในทางวาจามีการงดเว้นจากการพูดปดเป็นต้นอันนี้เป็นความงามในถํากลางปริโยสานกัรยานังเป็นความงามในที่สุดฐานที่เกิดของความงามสุดท้าย นั่นก็หมายถึงมโนธรรมคือจิตใจของเราทุกๆคนเราทุกคนมีธาตุแห่งความรู้และก็มีอาการของธาตุคือความรู้เหมือนกันหมดไม่มีใครมากใครน้อยไม่มีใครมากกว่าใครคนทุกคนมีธาตุวิญญาณธาตุคือเป็นธาตุที่ทรงไว้ซึ่งความรู้เหมือนกันหมดคนละหนึ่งดวงหนึ่งดวง ทอนี้ถ้าเราจะชี้ไปถึงอาการของความรู้ก็ชี้แผ่ออกไปในตัวของเรานั่นแหละเราไม่ต้องมองอื่นไกลเพราะว่ามีจิตเท่านั้นดวงมีจิตเท่านี้ดวงโดยย่อเท่านั้นโดยพิสดานเท่านี้ซึ่งปรากฏอยู่ในพระิธรรมนั่นเขาชี้เห็นถึงซึ่งอาการของจิตมันเกิดขึ้นจากฐานแท้เดิมบิญญาณธาตุเกิดจากจิต ด, ดวงเดิมซึ่งเป็นตัวอมาตะ ส่วนอาการของตัวมรตารนั้นมันเป็นของที่เกิดได้ดับได้เกิดได้ตายได้โดยที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็ตายได้มันก็ดับได้เช่นเวลานี้รูปหยาบๆที่เราจะมองเห็นด้วยแสงสีโดยอาศัยตาของเราเป็นสื่อเป็นกระแสเป็นจำนวนนั้นมันตายไปแล้วมันดับไปแล้ว อย่างนี้เป็นต้นรูปแสงสีที่เราจะมองเห็นด้วยจกักษุคือตาเนื้อตาหนังน่ะไม่มีเพราะเราปิดประตูแล้วหลับตาแล้วเราปิดประตูแสงได้เปลือกตาของเราทั้งสองคือร่างและบนอย่างสนิทรูปนั้นมันก็ไม่เกิดรูปที่มันเกิดเคยอยเกิดเคยดับเคยเกิดคยดับทําปัญหาสร้างปัญหาความวุ่นวายให้แก่ตัวของเรา อยู่ทั้งวี่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับแล้วมันก็ยังไปเป็นสัญญาลบกวนอาการของจิตทำให้ละเมอเพ้อเพราคือละเมอฝันไปจไาได้บ้างไม่ได้บ้างนี่มันสร้างความวุ่นวายให้แกเราอย่างไรถ้ารูปดีมันก็สร้างสรรความรักปูุงแต่งในความรักทำให้จิตใจของเราไม่สงบไม่นิ่งวุ่นวายอยู่กับความรักอยู่ตลอดเวลา ถ้าโลกไม่ดีไม่งามมันก็ทําให้วุ่นวายกับความไม่รักไม่ชอบยังแถมให้เกิดความเปรียดความชังซะอีกแล้วเกิดความเหนื่อยความหน่ายความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งทั้งที่มันมีมันได้มันเป็นอยู่บนบ้านของเจ้าของมันยองอยู่บนที่สาของเจ้าของมันติดอยู่ในตาของเจ้าของในหูเจ้าของจมูกลิ้นกายตลอดถึงฝังอยู่ในใจ ถึงขนาดนั้นเราก็ยังระเมอเพื่อพบว่าไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่ยินดีไม่อยากได้อยากให้มันหมดไปสิ้นไปเนี่ยวใจของเราวุ่นวายอยู่อย่างนี้ยุ่งเหยิงอยู่อย่างนี้ไม่เว้นแต่เราแต่เราวิ่แต่ละวันไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่ว่ายืนว่าเดินว่นนั่งวันนอนแม้แต่ในขณะ น, นี้มันก็วุ่นวายอยู่ถ้ายิ่งเราง่วงเหงาเฮานอนเพราะเมาอาหาร ความวขาขงงาม่วงก็ครอลําทินนิมิตทะครอบงำ ม, มันไม่ใช่ว่าจะง่วงอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องสร้างบุญกุศลไม่เกิดฟังบุญเราเทศไม่เกิดฟังบุญได้กุศลคือสติปัญญาความเฉลียวฉลาดรุ้บายต่างๆมันก็ไม่เกิดเพราะทินนิมิตทะมันครอบงำใช่ว่าเราจะถูกความว่วงเหงาเขานอนครอบงำอย่างเดียวก็หามีได้สังเกต ด, ดูให้ดี มันอยากจะนอนมันก็ไม่ได้นอนจะไปหรือก็ไม่ได้อายเขาเพราะมันเป็นเวลาฟังเทศฟังธรรมมันก็ต้องทนนั่งอยู่เมื่อทนนั่งแล้วมันก็เกิดอุดทัดจน์ความงดหิดงดหิดลำคาญใจนั่งก็ไม่สบายเพราะว่านาก็ไม่สบายทําอะไรอะไรก็ไม่สบายทั้งนั้นมองลงไปลงไปในกายมันก็ไม่สบาย มองลงไปในจิตใจของเรามันก็ไม่สบายมันวุ่นวายอยู่กับความง่วงวุ่นวายอยู่กับความงุนงิดนุ่นง่านความลำคาญลำคานกายเพราะนั่งไม่สบายลำคั้งจิตเพราะมันไม่อยู่ในความเป็นปกตินี่เราเห็นไหมมันสร้างอะไรให้แก่เราเพราะฉะนั้นจิตใจของเรานั่นเป็นพื้นฐานที่จะเกิดความงามคือผลความเดียร์สูงสุดในพระพุทธศาสนา ได้แก่ผลที่เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติคือศินสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะชี้ถึงข้อปฏิบัติอักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าตามที่กล่าวมานั้นได้กล่าวมาอย่างกว้างขวางก็หมายถึงศินบ้างธรรมบัง้งนั่นแลเป็นความงามในเบื้องต้นและท่ามกลางถ้ามาเราจะชี้ให้เห็นอีกในแง่หนึ่งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัต ในแก่คําสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวแล้วคือศีลและธรรมนั้นเป็นที่ตั้งหรือเป็นคุณที่พวกเราท่านทั้งหลายผู้ฝักใฝ่ต่อความเจริญความก้าวหน้าให้แก่ชีวิตของตนในอัดในทมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะสร้างสรรค์ซึ่งบรารมีคือคุณความดีให้เต็มเตยมสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งในส่วนกายส่วนวาจาและส่วนจิตใจของเรา ทำไมเราจึงต้องการเป็นผู้มือบารามีเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมด้วยพระบารามีทั้งหลายจนเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายมาขวนขวายประกอบคุณงามความดีซึ่งบุคคลยิ่งหลายสิบล้านไม่ได้มีความสนใจผูกกันพากันมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาทะเยอทยานอยู่ในทางโลกไม่ได้มีความสนใจอย่างพวกเราทั้งนี้ก็เพราะเราเชื่อมีศรัทธาความเชื่อ ในคุณค่าคือเหตุที่จะก่อให้เกิดผลคือบารมีได้แก่ความดีนั้นเมื่อบารมีของเราพรันเต็มเราก็จะได้พ้นไปจากความทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นไปจากสมุดฐานคือเหตุที่จะก่อให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาการมาตัณหาความอยากในความใคร่เพราะว่าตัณหาความอยากในความมีคืออยากมีอยากเป็นมิผวาตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็น อย่างที่พวกเราทราบกันอยู่มันเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดความทุกข์ขอให้เกิดความทรมานมันทุกข์หรือไม่ทุกข์เราได้ชาติปีิทุกข์ขาเราเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์อันนี้แหละมันเป็นผลของกิเลส ช, ชาติคือการเกิดมันประกาศถึงผลของกิเลสเราเกิดมาเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเกิดในตระกูลลุ่ชาติที่สงสุงปานกลางก็ดีตระกูลติด ต้อยต่ำก็ดีมีฐานะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปันกลางคนแล่นแค้นเพียงใดก็ดีโง่ก็ดีฉลาดก็ดีสูงต่ำดำขาวก็ดีมันมีอะไรผิดแปกแตกต่างกันไปบ้างถ้าเราจะมองถึงโลกภายนอกมันก็ผิดแตกแตกต่างกันถ้าจะมองถึงภายในด้วยความเป็นธรรมแล้วมันก็มีสภาพคือความเป็นจริงอย่างเดียวชาติปีติทุกขา์าท่านบอกว่าชาติคือการเกิดเป็นทุกข์ เรานั่งอยู่นี่แม้แต่เราปฏิบัติความดีเหลือบยุงมดมแมลงสัตว์กัดต่อยมันก็ไม่รบกวนและมันสบายนักหรือมันนั่งเย็นชุ่มช่ำในหัวใจงั้นรับสินห้าแล้วมันเย็นกายเย็นใจรับสินแปดมันเย็นกายเย็นใจบวชเป็นพระเป็นเนมแล้วมันก็ชุ่มเย็นจิตเย็นใจไม่มีีความเล่าร้อนบรบกวนกายจิตใจเลยเลยนี่มันเต็มไปได้วยความทุกข์ความเดือดร้อน ความงุ่นง่านหุดหมิดภายในจิตใจนี่แหละมันทุกข์แต่เราจะกล่าวถึงความทุกข์ในอื่นๆนู้นมันอีกมีอีกอยู่มากมายไก่กองให้เราน้อมไปพินิษฐ์พินิษพิจารณาเอาก็แล้วกันอันนี้แหละใหเราพินิษฐพิจารณากันชาติปีทุขขามันเกิดมาเป็นทุกข์พอมันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเราหมั่นขยันฝึกฝนอบรมหมั่นสดับตับฟังหมั่นค้นว้าพินิษ์พิจารณาปฏิบัติ กายวาจาใจของเราให้เป็นไปตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งในส่วนที่ควรจะทําให้ความรู้ให้เกิดขึ้นศึกษาเกิดความรู้ศึกษาเกิดความเข้าใจในอัดในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้าใจในอัดธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ย่อมจะได้รับความสะดวกในเมื่อเราปรารถนาต้องการในอันที่จะกําจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยหากปรากฏเข็มอยู่มีอยู่ในกายในวาจาจิตของเรา มันก็ย่อมจะได้รับความสะดวกในเมื่อเราปรารถนาต้องการในการที่จะสร้างสรรค์คุณงามความดีให้มันเกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตของเราเช่นเดียวกันอันนี้แหละคำว่าปริยัติจ